ถามว่าทำไมธาตุทั้งหกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาดูก็น่าจะเห็นได้ง่ายส่วนการเห็นว่าธาตุทั้งหกเป็นของเที่ยงสุข ต, ตัวตนนั้นน่าจะเห็นได้ยากเพราะฝืนธรรมดาแต่ทำไมจึงได้เห็นผิดตรงกันข้ามกับความจริงข้อนี้นะ่าอัศจรรย์นักขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ตอบว่าความเห็นผิดชนิดนี้ลึกซึ้งมากมีหลายชั้นคือทิฏฐานุสัยและอัตานุทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิและทิฏฐิวิปลาศคือเห็นผิดจากความจริงถามว่าความทำในใจอย่างไรทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้จึงมีขึ้นได้ ตอบว่าเพราะอาวิชชาความไม่รู้ไม่ได้ซ้องเสพสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษและไม่ได้ฝึกในใจธรรมะของสัตบุรุษจึงไม่รู้จักไตร ล, ลักษณ์และอริยสัจสี่ทิฏฐิเหล่านี้จึงมีได้มากรอดธรรมดาของสังขารไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เหลือทนทนอยู่ไม่ได้จะต้องดับไปเป็นธรรมดา และเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครส่วนผู้ที่ไม่รู้ความจริงไม่เห็นไตรลักษณ์จึงใส่ใจไว้ข้างเกิดไม่ได้ใส่ใจไว้ข้างดับเห็นเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเห็นเป็นตัวตนแก่นสารถามว่าการใส่ใจไว้ข้างเกิดไม่ได้ใส่ใจไว้ข้างดับนั้น มีลักษณะอย่างไรตอบว่าธาตุหกนั้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุห้าอย่างนี้เป็นรูปวิญญาณธาตุเป็นนามเมื่อย่อนลงเป็นนามเป็นรูปอย่างนี้แล้ว ส่วนรูปนั้นมีความแปรปรวนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นของเก่าดับไปของใหม่เกิดขึ้นแทนแล้วก็ดับไปอีกส่วนวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกอย่างนี้เช่นเห็นรูปทางตาเกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ดับไปได้ฟังเสียงทางหู เกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ดับไปหรือได้รู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้ผธทพะทางกายแล้วก็ดับไปรู้ธรรมอารมณ์ทางใจแล้วก็ดับไปเช่นนี้ทุกอารมณ์แต่เราไม่ได้ใส่ใจไว้ข้างดับใส่ใจไว้แต่ข้างเกิดจึงเห็นธาตุหกเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนสาระแก่นสารเป็นสุภาสวยงาม ที่เรียกว่าทิฏฐิวิปราลาดอย่างนี้ลหละชื่อว่าการใส่ใจไว้ข้างเกิดไม่ได้ใส่ใจไว้ข้างดับถามว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะใส่ใจไว้ข้างดับไม่ได้ใส่ใจไว้ข้างเกิดขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจ บอกว่าการใส่ใจไว้ข้างเกิดนั้นชำนานมากเพราะคุณเคยกันมานานแล้วตั้งแต่เกิดมาพอรู้ภาษาคนก็ใส่ใจไว้ข้างเกิดไม่เคยใส่ใจไว้ข้างดับเพราะฉะนั้นการใส่ใจไว้ข้างดับจึงต้องฝึกใหม่ให้ชำนานและยังต้องอาศัยความเห็นที่ชัดเจนขึ้นด้วยที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ